แลลักษณ์ที่นำตอนสัฐสิทธิ์เคลื่อนไหวใจเป็นคนตอนท่อนสองกับนวัตการเจ้าค่ะบางอย่างบางทีคำพูดที่พูดบางทีมันก็อธิบายมาลัจกินก็เข้าใจยากเหมือนกัน เรารู้แต่ ว, ว่าทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเราเห็นด้วยความเป็นจริงนะคะแต่ใจเราไม่ไปวุ่นวายเท่านั้นเองเห็นเฉยเฉยรู้เฉยเฉยไม่ไปเกาะเกี่ยวข้องก็หายไปเองค่ะเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเองเราเป็นแค่ผู้ดูดูเฉยเฉยเป็นผู้รู้ผู้ดูอยูเฉยเฉยไม่ไปข้องเกี่ยวกับสิ่งสิ่งต่างๆเข้ามาในใจเราหรือว่าเรามองเห็นเะทุกผู้ รู้ทุกอย่างที่ติดรู้แต่เราไม่ติดเจ้าค่ะหัวหน้าสมแบบองจะสักอะไแล้วมาที่หลังฟังเข้าใจไม่เข้าใจเพราะว่ามาติงตอนหลังเลยดีแล้วได้วังครบจะไดรู้อ่ะมาใจไงอเอาให้หน้า <c oughs> พี่ซาไม่แน่ใว่าฟังเรื่องสุดหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องราวอยู่สองเรื่องไม่ซาบว่าเป็นเรื่องปฏิบัติหรือว่าเรื่องที่ท่านหลวงตาได้ได้สอนอยู่เรื่องปฏิบัติถ้าเป็นพฏิบตอนแรกฟังจับได้ว่ามันน่าจะมาจากสองเรื่องว่าเป็นอาจจะเป็นเรื่องจิตเห็นจิตหรือว่าการปฏิบัติแล้วเห็นแล้วควรจะปฏิบัติอย่างไงหรือว่าคนจะทำอย่างไง เราจะตาตอบของทั้งสองท่านแต่ไม่แน่ใจว่าถูก <c oughs> รึ <c oughs> <ๆ>เปล่ารู้สึจะให้คุณบอกก่อนแล้วกรับู้สืหลังใช่มถ้าะให้รู้สึก่านรู้สึกไม่ <c oughs> พอดีฟังจากคำตอบแล้วก็เลยคิดว่าตอนแรกหวงจามน่าจะบรรยายในลักษณะสองหัวข้อเนี้ยค่ะว่ า, าไม่ข้าใดข้อหนึ่งเพราะยอมคนแรกที่ตอบมาถึงคุณเนี่ยเขาตอบว่ามันไหวๆมันก็เลยน่าจะมาจากการปฏิบัติของเขาว่าเขารู้สึกหรือเขาเห็นอะไร เล่นนะดาประมาณนั้นตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าหลงตาบรรยายนทำในเรื่องของจิตเห็นจิตแต่พอฟังกับคงตอแล้วมันน่าจะมาจากกายปฏิบัติแล้วก็เห็นแล้วก็ควรจะทำอะไรยังไงต่อฮะอ่าอ่าอ่าอ่าอธิบายเพิ่มสิมันมาอย่างไงจึงวันเป็นอย่างนี้แต่อ่าอ่าอธิบายที่อ่าน ใอธิบายอธิบายค่ะห้เรอธิบายเอาเไปะก็เริ่มมาจากถ้าเข้ที่หลังไม่รู้มายนอไรขอการค่ะก็เริ่มจากที่บุญสมนะคะปฏิบัติอยู่นะคะแล้วเขาก็ฟังเทสฟังเทศที่หลงตาท่านบรรยายแสดงค่ะแล้วก็ก็ไปไปเห็นตามที่ที่ฟังที่หลงตาแสดงว่าแล้วก็อ๋อเนี้ยฮะโอ้ใช่เลยใช่เลยอย่างที่ฟังมาแล้วก็มองเห็นมองเห็นสิ่งที่ว่าเป็นไหวๆในธรรมชาติเน่ะคือเห็น แต่ว่าไม่ไม่มีตัวที่ว่าต้องไปทําไปจัดแจงหรือไปไปยุ่งเกี่ยวกับธรรมชาติที่มันหวั่นไหวจิตก็เหมือนกันกับอันนั้นนะคะแล้วก็ไม่มีความตชอบไม่ชอบหรือจะต้องการเอามาเอามาแสดงทำให้มันเป็นไปตามที่เราพอใจนก็เห็นเป็นสัจธรรว่าสัต่ว่าแต่ไม่มีรู้อะไรอย่างเนะะี้ค่ะสัแต่ว่าสัต่ว่าจิตก็จะเป็นสภาพอย่างนั้นเหมือนกัน ก็ไม่มีตัวไม่มีตัวเข้าไปเสี่ยงครองในสิ่งที่ไหวัๆก็เป็นสภาพเดีกับจิตเนี่มันก็คือหายไปมันก็ไม่มีก็เหมืนกันนิพพานก็สภาพเดียวกับอันนั้นนะคะอย่างนี้ค่ะมันก็คือถ้ากายสังขารดับมันก็ไหวๆไหวๆไปอย่างนั้นเองค่ะต้องไม่กล้าหลงตามีใครขยายความไหมขยายการในรายละเอียดอ่ะ สายหน้ากันดับแนเอาแเลยเข้าวต่ อ, ต, อต่อหน่อยิจะให้จะได้หัวหน้ารู้ที่มาที่ไปอ่ะอหลังอ่ะต่อสิเอายกมือไจะเอาไว้มันเป็นนา ม, มาทำไหะคะเจ้าค่ะมันก็ต้องเป็น การปฏิบัติเกิดขึ้นกับตัวเองใ <c oughs> แล้วก็ีนก็ยาให้เห็นออกไปไนอกให้อย่างใ้ให้ชัดขึ้ น, นเป็นตานในค่ะไม่ไหวทำหน้ า, า ก, ในในในการใจภายในเหมือนกันหรือการเสียเทียวดูยากถ้าใครเห็นตามมันก็จะอ๋ออ๋ออ๋อไปตามที่สงตาสแสดงแล้วเข้าใจได้เลย มันก็จะแจ้งมันก็จะแจ่มมันก็เออยิ้มเบิกบานอะไรอย่างที่เขาว่าหัวเราะไปด้วยค่างฟังไปด้วยหัวเราะไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลเหมือนกับอย่างเาา ง, งี้ยตอนนี้เนี่ยมันเนี่ยหน้าเรา ด, ดูกับ น, น้องเนี่ยมันดูเด็กมากคือวันนี้เราแสงทั้งวันเนี่ยนะเนี่ยใบไม้เนี่ยมันถูกลมพัดไหวไไไวไวๆตลอดเวลาเลยเนี่ยแล้วก็ธรรมชาติของตาที่เห็นใบไม้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ เห็นขึ้นมาเลยอ่ะก็ใบไม้มันไหวๆโดยที่ไม่ต้องวมีเจตนามีความตั้งใจจงใจหรือพยายามที่จะไปเพ่งไปดูไปรู้ไปเห็นใบไม้ที่ไหวๆและไม่มีเจตนาที่จะไปตั้งใจจะดูจะรู้จะละจะปล่อยวางอาการของใจที่ไหวๆใบไม้ที่ไหวๆเนี่ยก็เหมือนกับอาการของใจทีุ่กขณะปฏิบัติาลที่มันไหวๆ มันก็มีเยวเดี๋ยวคิดเดี๋ยวแสดงคิดตรองอะไรขึ้นมาเนี่ยภายในใจของเรานั้นมันมีการไหวไหวบนใบไม้เนี่ยตลอดเวลาเลยมันก็ได้แต่รู้ว่ามีอะไรไหวไหวในใจโดยที่ไม่ต้องไปจงใจตั้งใจเจตนาจะไปเท่งรู้ละปล่อยวางอะไรมันก็มีแต่อาการของใจที่ไหวไหวไปเรื่อยบนใบไม้เนี่ยไบไม้ที่เราเห็นใบไม้ที่มันไหวไหวไหวไหวไปตามลมพัดอยู่ตลอดเวลาเราสังเกตไม่ไม่มีใครที่จะไปต้องพยายามรู้ละปล่อยวางอะไรนี่จะเอาอย่างนั้นไม่เอา อาการอย่างนี้จะเอาอาการอย่างนั้นไม่เอาไม่มีใครไปเลือกสรรไม่มีใครเข้าไปคัดแยกมันคงปล่อยให้มันไวๆไวๆแต่ไม่มีตัวเราเข้าไปยุ่บวุ่นวายเหตุแห่งเพียงแค่เห็นแต่ทุกอย่างเนี่ยในใจเราเนี่ยมันไวๆไวๆแล้วไม่มีใครเข้าไปยุ่บวุ่นวายไม่มีใครเข้าไปเทงไปจ้องไปรู้ไปละเระพยายามปล่อยวางพยายามทําอะไรกับเขาไม่พยายามไปแทรกแซงไม่พยายามไปเลือกสันคัดแยก คงปล่อยให้เขาไว้ไหวไปตามธรรมชาติแล้วเขาก็ดับมันเขาเองไว้ไหวตามธรรมชาติแล้วก็ดับไปเปลี่ยนไปโดยที่ไม่แค่ให้ต้องมีคมันเป็นพงเกิดดับนี่แต่ไว้ไหวไหวไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวเหตุ hey, เพียงแค่นั้นเนี่ยใจมันเลยว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากผู้ยึดมั่นหรือมัน่นเมื่อใจไม่มีตัวตนเข้าไปยึดมั่นหรือมั่นสิ่งใดมันก็เลยว่างเปล่าแล้วก็มันก็ไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีทุกข์ด้วยคนจับทุกไปเรียกว่าทัานผ่า พราเหตุเพียงแค่นี้เองก็เลยมาเล่าถึงเรื่องที่ไสยยะที่เป็นคารวาตมาพบกับพระออพุทธเจ้าแล้วอ้อนวอนถามพระพุทธเจ้าว่าเอ้พระพุทธเจ้าหิวๆมากเลยสัะนิพพานให้พระพุทธเจ้ า, จาช่วยสอนว่าทําอย่างไรที่จะับพระนิพพานพระพุทธเจ้าเลยตัดกับไสยะว่าถ้าเธอเห็นสับตาไปเห็ น, ห น, หนได้จับตาไปยินได้ยินแล้วก็รู้อาการของใจ รู้อาการของใจทุกปนาปัจจุบนันสักแต่ว่ารู้นั่แนแหละเธอจะไม่มีตัวตนของเธอในปัจจุบนันและในในพบต่อไปก็ไม่มีตัวตนในพบ น, นั่นในพบไหนไหนก็ไม่มีในไม่มีตัวตนของเธอเธอจะติดจับทุกติดกิเลสบรรลุงกนิพพานเพราะอํานาจแห่งการสักแต่วา่าสักแต่วา่วาวา่าระยะฟังจบก็บปรู้อารหันต์พิจารณาตามก็ไปรู้เย ก็เลยาเล่าเรามาเล่าให้ฟังตอนนี้ mm hmm. ก็เลยพยายาจะเปรียบเทียบให้ฟังว่า mm hmm. เวลาเนี่ยตอนเนี้ยมันมีลมพัดตลอดเวลาใบไม้มันไวไวไหวไหวไหวไหตลอดเวลาจริ mm hmm. เวลาตาเราเห็นใบไม้เนี่ยเราไม่เคยต้องตั้งใจจะไปดูใบไม้ไม่มีเจตนาไม่มีตัวไม่มีความตั้งใจที่จะไปเพ่งดูใบไม้ที่ไหวไหวแล้วก็ ไม่มีใครจะต้องพยายามไปรู้ไปฝ่อยวางใบไม้ที่ไว่ไหวและไม่มีใครจะต้องไปไปแทรกแซงไปชักเลือกว่าต้องเอาแต่ใบไม้ที่ดีๆที่ถูกใจใบไม้ที่ไม่ถูกใจไม่เอาก็เพียงแต่ว่าสักแต่วัยเห็นว่าใบไม้ไหวไหวไม่ไหวไม่ไหวไปตามธรรมชาติแค่นั้นเองไม่มีผู้เข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีผู้เข้าไปยึดถือวุ่นวายนั่นแหละถ้าเราเห็นอาการนัจริงแบบนี้เช่นเดียวกับเราเห็นใบไม้ไหวไหว คือไม่มีผู้เข้าไปเท็งไปจ้องไปพยายามดูไปพยายามรู้พยายามเห็นไปพยายามรูล้ละปล่อยวางไปพยายามแทรกแตง่งพยายามคัดแยกจิตดีจะเอาจิตไม่นนดีไม่เอาถ้าสัแต่ว่าสักแต่ว่ารับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจทุกิริยาอาการในปัจจุบันใจมันก็จะว่างเปล่ า, ากับตัวตนว่างเปล่าแต่กิเลสว่างเปล่าจะผู้ที่ฟังดีมัน่นเวลาสายแล้ว ถึงเวลาที่อายุใครอะ่ะเพราะว่าไม่มีใครตายหรอกเพราะว่าตัวตนไม่มีแล้วนะมันก็นดับไปใบไม้ก็ไม่ไหวคืออาการที่ที่ไม่ไหวก็ดับไปเพราะว่า <c oughs> มันเป็นอนิจจังคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นไหวขึ้นก็เพิ่มขึ้ น, นปรุงแต่งขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาแต่ผู้ที่ไม่ไม่เข้าไปอยู่ไมยุ่งมันวายกับอาการไม่ไหวนะั่นะนหะคือใจที่ว่างเปล่านะั่นแหละนะมันก็จะไม่เกิดไม่ไดั มันก็จะเป็นอมันของมันเนี่ยเป็นอามาตะตลอดไปคือมันไม่มีตัวตนนีม่มีอะไรลนะ่ะมันไม่มีตัวตนตั้แต่ปัจจุบนันกันมันก็ไม่มีตัวตนตลอดไปการปฏิบัติตัวตีตีโยเขาก็พูดตีตีโยเข้ารู้สึกอย่างอย่างเนี้ยคือก็บอกว่าเห็นแต่อาษาใงใจที่มันไหวๆไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงแราวว่าอั น, นเนี้ยเนี่ยถ้าได้เห็นชัดในจิตในจิตอย่างเงี้ยด้วยใจของตัวเองอะแล้วว่าเนี่ยเรา เราเชื่อว่าตรงเนี้ยมันใกล้แล้วนะกลจที่จะบารูุมีพานแล้วเป็นทางเนี่ยเข้ามาใกล้เต็มที่แล้าก็เห็นในใจของเขาไม่ใช่เพียงแค่เพื่ความจํานะตรงเนี้ยเราเลยพยายามจะสอบทานจากพี่ถามเราแล้วเราสอนกับตอบกลับเนี่ยว่าการรู้การเห็นในจิตเนี่ยมันชัดอย่างที่พูดจริงหรือเป่ามันมีอะไรเคลือบแคลงที่จิดพลาดก็รปรากฏว่า เห็นอาการทางจิตเนี่ยเหมือนใบไม้ไววหวๆลักษณะก็เห็นแบบเดียวกันนะครับแต่ขณะที่เห็นอาการทางจิตใบไม้ไหวเนี่ยก็มีการเนี่ยว่าอบอกว่าเออก็ทําใจให้ว่างไว้แล้วเห็นใบไม้ใบไม้มันไหวๆแล้วก็ทําใจให้ว่างไว้อันเนี้ยเห็นว่ามันมีอะไรเกินมาอันที่ผิดใครที่ว่าเห็นใบไม้ไหวไใบไม้เนี่ยถูกต้อง แต่สิ่งที่ผิดพลาดเพิ่มเข้ามาคือการทําใจให้ว่างไว้อันนี้ผิดพลาดอันนี้เป็นกิเลสมันเลยใจไม่ว่างทีนี้อีกอันนึงก็ถึงแม้จะฟังฟังแล้วมาพูดตอนสองเนี่ยก็บอกว่าเข้าใจนะเข้าใจให้เห็นว่าตอบตัต้งประเด็นใบไม้หรือว่าอาการทั้งจิตเนี่ยมันไหวๆเหมือนเหมือนใบไม้เลยใจที่สบาย มันเอาสบายเป็นตัวตั้งพูดไปพูดมามันก็เอาสบายไปตัวตั้งไม่ได้หมายสบายแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าแต่พอพูดไปพูดไปหมายสบายแล้วก็หมายว่างไว้ไปหมายตรงนั้นไว้ไม่มันจะต้องไม่มีหมายสบายไม่นี้เยแต่ว่าเห็นแต่ว่าอาการอจิตมันไหวไหวตลอดเวลาเหมือนเห็นใบไม้ไหวไหวตลอดเวลา ไม่ได้หมายว่าการเห็นในไม้จะทําให้ใจเราว่างเปล่าการเห็นในไม้ไม่ไหวจะทําให้ใจเราสบายจะต้องมีมีความรู้สึกนิดหนึงอย่างนี้ในใจเลยเพราะหมายพวกนี้ต้องล้างทิ้งไปเลยเพราะเป็นความยึดมั่นถือมั่นใจมันจะไม่ว่างเปล่าจากตัวตนผู้ยึดมั่นถือมั่นถ้าเราไปหมายว่าถ้าเราเห็นในไม้ไปไหๆไปเรื่อยเดี๋ยวใจเราเห็นอาการจิตไปไหวไปมันเห็นในไม้ไปไหๆไปเรื่อยเดี๋ยวใจเราสบายใจเราจะว่างเปล่าถ้าไปหมายตรงนี้ไว้เป็นยึดถือทันที จะมีมีโอกาสตนทุกไายเพราะมันมีตัวตนที่ไปยึดถือดักหน้าไว้แล้วมันไม่เห็นแต่อาการทิ่ไหวๆในปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันเรื่อยไปแต่มันไปนหมายดักหน้าไปแล้วว่าถ้าเราเห็นแบบนี้เดี๋ยวใจเราจะว่างปาเปล่าเห็นนี้เออใจเราจะว่าเห็นนี้ใจเราสบายเราไม่ได้เอาการเห็นจากตัวเห็นเนะี่ยเป็นหลักแต่เราไปเอาใจที่สบายกับแต่ที่ว่างเป็นหลักของใจไว้ เข้าใจไหมเนี่ยความผิดพลาดตรงนี้เข้าใจไหย ใ, ใครง ง, งถามแล้วนะสี่ซักเพราะว่าให้มันชัดเจนอย่าให้มันคลุมเครือเราจริงให้ทุกคนต้องพยายามพูดใหม่ออกมาจะได้รู้ว่าเนี่ยมันฟังแล้วมันมันมีอะไรตกหล่นจริงๆนิง่ะ แล้เราจะฟังคำประเี๋ยวนี้นะต้องไปกังฟังแล้ว เ, เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราฟังเดี๋ยวนี้ไม่ชัดตรงนี้ตรงเนี้หนหนนหนยหัวหน้าดีหลังกับน้องไหนที่ฟังรอบัวไีเข้าใจไหมอ่ะไหนไหนนี้เอาทุกคนใจเย็นฟังแล้วจะตรวจสอครั้งหัวหน้าดีว่าหัวหน้าฟังเยถูกไหมอธิบายถูกไหมจะเกณฑ์ไหมกับน้องชายนะอ่ะ <c oughs> ให้สรุปใช่ไหยครับอ่ามาตรวจสอบเอาจริงๆนะที่เข้าใจจริงๆตามที่เราเข้าใจเ่เอาไม่ต้องเอาสรุปสรุปเอาชัดๆเลยที่เข้าใจจากที่ฟังอ่นะครับก็คือเรื่องของการฝึกจิตนะครับว่าเอหลวงตาท่านเปรียบเหมือนเอจิตตอนนี้ที่เข้าไปเนี่ยครับคือเปรียบเหมือนกับสภาวะของใบไม้ที่ไหวๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรา ในชภาวะของที่ไปไม้ไหวๆเนี่ยมันก็ไหวไปตามธรรมชาติของมันเบิร์มันไม่สนใจว่ามันจะมีทั้งใบที่เราชอบและใบที่เราไม่ชอบแต่มันก็ไหวไปเรื่อยๆเปลี่ยนมนต์จิตใจของเราอะครับถ้าเกิด ว, ว่าเราแค่อยากจะแค่ว่าอยากจะรู้แต่ว่าไม่เข้าไปเพ่งหรือว่าแค่มันกับว่าแค่รับรู้มันจะฉยๆโดยไม่สนใจว่า เออเหมือนก็สักแต่ว่ารู้สักว่าถ้าเห็นแต่ว่าไม่สนใจว่าสิ่งที่เรารู้หรือสิ่งที่เราเห็นชอบหรือไม่ชอบตัวที่จิตเราไม่ได้ไปตั้งว่าเราชอบหรือไม่ชอบให้แค่ว่าสักแต่ว่าเราเห็นว่าจิตเราเป็นอย่างไรแค่นั้นรู้ว่าจิตของเราณภาวะปัจจุบันตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันมันมันคิดอย่างไรแต่ว่าเราไม่ได้ไปยุ่งกับมันนั่นคือสิ่งที่ผมเข้าใจครับอุตส่า แนวหัวหน้าขยายความหรือว่า จ, จริงๆก็ในทํานองเดียวกันว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการฟังมาแต่ว่ายังไม่ได้ฝึกปฏิบัติค่ะหรือปลามันก็เลย บ, บังชีก็ลำบากนิดนึ่งที่จะให้อธิบายนิดอย่างได้แนทางไหมว่าปฏิบัตรริอย่างไง ร, รอ่ะสิ่ตอนนี้เท่าถ้าที่คุยกนันนะคทางดวงตาคือบางทีเราก็แค่า อ, าอ่านหนังสือหรือว่าฟัง ก็จะให้รู้เข้าใจก่อนเพราะอย่างบางครั้งเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ความความหมายคําว่าจะต้องทําอะไรแค่ไหนก็เพิ่งได้ฟังเรื่องต้นนะครับท่านบอก่าก็ซึ่งฟังจากท่านโอตอนนี้เราได้ฟังจากท่อันนี้แล้วเอาตอนนี้ยออันเก่าฟังก็ไม่ต้องสนใจแล้วเอาตอนนี้ดีฟังเดี๋ยวนี้ปฏิบัติได้ไหมดีฟังในตอนนี้คือครั ปฏิบัติแบบไม่ได้มานั่งสมาธิใช่ไหมหนูจ้ า, จาแค่ว่าแค่เราคือสือทด่ทั่วไปเนี่ยของอันนี้ยามรับตรงๆว่าไม่เคยสึกปฏิบัติแต่ว่าถ้าเราฟังทำเสร็จเนี่ยเราก็แค่แค่ดูใจเราบ้างบางครั้งที่ว่าเออเวลาเรากโกรธเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอมืมันเป็นยังไงเราก็รู้ว่าเออมันมันเป็นยังไงหรือเวลาเราไม่พอใจได้สิ่งที่เราไม่ไม่ไม่ได้แยากที่เราอยากได้อ่ะ จิตใจเราเป็นยังไงแค่อย่างเนี้ยจะได้ใี้ตังมาตอนนี้ที่ทําได้ก็จะประมาณว่ารู้ใจเราแล้วก็เออให้มันมันจะได้หยุดมันจะหายไปเองว่าเรารู้ว่ามันเป็นยังไงเสร็จเนี่ยอีกตั้งนึงมันก็เออเรารู้แล้วว่าเราก่ออยู่นะนี้เราไม่พอใจตั้งนึงมันจะหายไปเองก็จะโอเคกลับมาเหมือนเดิมได้แบบนี้ได้จะได้แค่ประมาณนี้ค่ะคุณป้แต่ให้นั่งสึกอย่างที่ <laughs> นั่งกันอย่างนี้ยังไม่ชินก <laughs> ก็ไม่เคยกับปฏิบัติก็เลยไม่เคยปฏิบัติอย่างนี้ก็ปฏิบัติก็เลยเนี่ <c oughs> คือที่เราพูดเนี่ยมันต้องเป็นสภาวะที่ไม่มีอารมณ์เนี่ยมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์กามักนาลาคะมีอารมณ์อะไรที่มาแทรกแทงกมันในจิตใจให้มันวุ่นวายไปตามนั้นคือมันต้องเป็นสภาวะที่เป็นปกติถ้าเราเนี่ย อ, อขนาดนั้นเรามีอารมณ์โกรธเรามีอารมณ์โกดอยู่ เราเรามีอารมณ์โกรธอยู่อย่างนั้นเราต้องเราต้องพลิกไปซะก่อนถพอเรามีอารมณ์โกรธอยู่เราต้องพิกมีผลกระทบอะไรแล้วขณะโนกรเนี่ยเราจะไม่เห็นมันไวๆสับได้เห็นว่าไวๆไม่ได้เพราะมันมีอารมณ์โกรธแล้วเราต้องรุกต่านเปลี่ยนความตั้งใจเป็นอย่างอื่นทันทีลุกไปทําอะไรซะลุกแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยลุกแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยลุกไปทำอะไรซะทันทีเลยเพราะมีอารมณ์โกรธแล้วอย่าไปแค่สับแต่วรู้สับแต่วรู้ไม่ได้พอมันมีอารมณ์โกรธขึ้นมาแล้วเราก็ลุกไปไปทําอะไรซะ พอมีอารมณ์โกรธขึ้นมาแล้วโมโหแล้วก็ลุกไปทำอะไรซะลุกไปเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยลุกไปลุกไ ป, ล, กไปลุกไปทำนู่นทําเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยพอมันโมโหก็ไม่อี ก, อกแล้วก็ลุกพิกอีกโมโหอีกกับพิกอีกโมโหอีกกับพริกอีกพริกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยลุกไปทำอะไรซะอ อ, อย่าไปเส้าซี้กับคนที่มาทําให้โกรธแล้วอย่าไปเส้าทีกับอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นจะต้องเร่งกำจัดมันให้หายไปเร็วๆ เ, เราไม่ต้องไปเาาร่งกำจัดอารมณ์ที่โกรธขึ้นให้มันหายไปเร็วๆหรือไปเซ้าซี้กับอารมณ์ที่เหมันโกร หรือไปซาสีกับคนที่มาทําให้เราโกรธเราก็ได้แต่ลุกไปเปลี่ยนความตั้ใจไปลุกไปเปลี่ยนความตัใจไปเรื่อยๆพอมาโมโหอีกโมหอีกเราก็ลุกพุ๊บเปลี่ยนไปความตัใจไปเรื่อยๆอันนี้พอมันเราเปลี่ยนความตัใจแล้วมันยังไปคิดอีกเอาไปคิดทําไมโมโหอีกแล้วมันพลิกอีกขยับอีกขยับตัวอีกพอีกขยับตัวอีกขยับตัวเปลี่ยนความตั้ใจไปอื่นขยับตัวเปลี่ยนความตั้ใจไปอื่นอย่างเงี้ยแหละเรื่อยไปโดยไม่ต้อง ไปว่าเขาคนที่มาทําให้เราโกรธเนี่ยไม่ต้องไปต่อว่าเขาไปคือว่าใจอย่าอย่าไปคิดต่อว่าเขายังเสี่ยงโทษเขาแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่งโทษอารมณ์โกรธในใจเราว่ามันจะต้องดับไปเดีย๋ยวนี้เรามีหน้าที่พลิกเปลี่ยนความตัใจพลิกเปลี่ยนตั้งใจทันทีอย่างเนี้ยถ้าเรามีอารมณ์เกิดขึ้นในสภาพว่านั้นหรือว่ามันมีอารมณ์การปัญหาลาภับเริ่มขึ้นมาเมื่อเรากระทบกับสิ่งสวยงามหล่อติ้งก้นมาเนี่ยเราก็ต้องพลิกเปลี่ยนความตั้ใจเลยพลิกพลบเปลี่ยนความตั้ใจอย่าให้ันก็ไปติดอยู่ได้ะ เมื่อเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่ถูกกระทบให้จิตใจแตกป่วนจิตใจมันเป็นปกติเนี่ยเราจึงจะมาปลุกเสียงที่โยมพี่ที่พูดกันเมื่อกี้ได้ว่าเห็นอาการเห็นกิริยาการของจิตไหวๆๆๆเหมือนใบไม้เหมือนใบไม้ไหวๆแล้วก็ไม่ต้องมาทําอะไรก็สังแต่ว่ารับรู้รับทราบกากิริยาการของจิตหยุดหยุดไหวๆๆๆที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเห็นมันไหวๆๆๆการธรรมชาติ ไม่มีใครเข้าไปแจ้งแจงไม่มีใครเข้าไปจัดการอะไรแด้แต่แค่รับรู้รับทราบแล้วก็ไม่เข้าไปเลือกสันไม่เข้าไปคัดแยกไม่เข้าไปแจกแจงไม่เข้าไปยึดถืออะไรเห็นแต่ไว้ไว้ไว้เรื่องหน้าจีตการเห็นสอบตะวันเห็นน่ะหรือว่ารู้สอบตะวันรู้อาการของจิตีไว้ไว้ไทุกขณะปัจจุบันนะทุกขณะจิตปัจจุบันที่มันไว้ว้ใ น, น, นปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันนะได้แต่รู้ได้แต่เห็นไม่ใช่สอบตะันรู้สอบตะวันเห็นพอไม่มีผู้เข้าไปยึดมั่น XV, ถิดมั่นในยึดเข้าไปแจ้งแจ้ง กิริยาอาการในดๆของจิตในปัจจุบันใจมันก็เลยว่างไปเลยว่างจากตัวตนว่างจะผู้ยิ้มากๆๆ่งผิดมั่งมันจะไม่มีรู้สึกตัวมีตัวตนมีผู้ยิดมากๆๆ่งผิดมั่งใจมันจะว่างมันก็เลยเห็นจิตไม่ไหวๆๆอยู่ในใจที่ว่างเปล่ามันก็จะเห็นไปเห็นนี้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปแต่กิริยาการขิตไม่ไหวอยู่ในใจที่ว่างเปล่าไม่มีตัวใจมันยินเราไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเรา เมื่อมีตัวเราไม่มีตัวใจไปยึดอะไรมันก็เลยไม่ทุกข์เพราะไม่มีตัวเราไปยึดอะไรนก็เลยไม่มีตัวเราทุกข์ไม่มีตัวรเราเป็นกิเลสตัณหาผู้ที่สิ้นทุกข์สิ้นกิเลสตัณหาเนะี่ยเขาเรียกว่าพันิานการที่เราจะเห็นกิริยาอาการของจิตที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันที่มันไวไวในปัจจุบันให้เราได้เห็นได้รู้ทันทางใจเนี่ยมันต้องเป็นสภาวา่าจิตใจที่มันเป็นปกติไม่ไปกระทบอะไรเกิดอารมณ์วุ่นวายจิตใจ ถ้าเราได้กระทบอะไรทให้เกิดความวุ่นวายจิตใจเราต้องทิ้งเพียงตอย่างอื่นก่อนทิิไปทิ้ิ้งไปโดยไม่ไปตาหนิเพ่งโทษใครที่ใจของเราอย่างเดียวเ้าใหมตต้องเป็นสภาว่าที่ปกติตักได้นะไม่เข้าใจสักแรงว่าหน้ามาที่หลังดียิ่งดีอย่าทาให้ส่วนเข้าใจได้เราได้ขยายความตรงนี้อ๋อเดี๋ยวเดียเี๋ยวในจีอเมย์ เห็นเห็นทุกอย่างเลยไหมคะจากข้างในก็เห็นคู่กันไปด้วยแล้วถ้าเราเหมาะถ้าเราเห็นคนสวยคนงามคนหล่ออะไรเนี่ยเหมือนกับมันรู้ทันจะไวจะสะอาม like ันไม่ปรุงไม่อะไรเห็นเห็นที่เฉยอะไม่มีบอกคนนั้นหล่อคนนี้อะมีความรู้สึกยินดีอะไรไม่มีจะจัก่าอย่างเนี้ยคือเห็นที่เฉยก็รับรู้เฉยไม่ไม่ติดในความความหล่อความความอะไรเขาอาจจะเกิด เกปัญหาอะไรในใจไม่มีเลยสักนอย่างเงี้ยมันมันจะพูดหรือในเขื่อนเขาเห็นแต่เขาไม่เห็นรู้สตวรู้ใชแต่มันทันมันทันไว้มากแล้วมันไม่ปรุงอะไขึ้นมาเลยการแล้วก็รู้สตวรู้เดิมหน้าของใจที่มันมันรู้สตวรู้ปฎิยาการมองติตภายในใจมันใน่นี่ยไม่มีเข้าไปพุกไม่มีตัวตนของผู้พุกเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีไม่มีผู้รู้ไม่มีตัวตนของผู้รู้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไร มนเห็นตอบก็ไปเห็นอาการของใจภายในเนี่ยเหมือนกับเห็นไมไม่ไหวๆชัด ม, ม, ม, มากเลยที่ใครมันเห็นคู่กับอะไรตารใน ต, ตารตาโ น, นกเนี่ยจะชัดมากเล ย, ยนะรู้ทุกอย่า ง, งที่คิดขึ้นมา ก, กับทันทุกครั้งที่คิดบรรยากาศแล้ว<อ>กระทบอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้นะมันน้อยลงเดอยวแล้วนะคนะเรารู้ได้ความรู้สึกของเราในนั้นอย่างนั้นแหละ คือมันเกิดเป็พร้อมๆกันในไหนซึ่งตาก็เห็นอยู่ผมก็ได้ยินอยู่ใจก็รู้อาการท้องใจอยู่หรือเจ้าจึงสัตว์กับใครยะว่าเห็นสัตว์แต่ว่าได้เห็ น, ดนได้ยินสัตว์แต่ว่าได้ยินรู้อาการท้องใจสัตว์แต่ว่ารู้แจ้งมันก็เรียกว่ารู้แจ้งหรือสัตว์แต่ว่ารู้เนี่ยคือมันมันเหตุเปพร้อมๆกันทนะั้งข้างอกทางไหนตานอกตาไหนถูกต้องอะไรทำไมเจ้าคะ แต่มันมีการนั้นมาก่อนมาก่อนเนี่ยเราเคยพิดพลาดไปรู้ว่าเราอ่านใจน้อยดีนั่นคือในท่างในภายในมันต้องชัดๆ ก, ก็คือว่าตาตเราไปเห็นอยู่ตาเห็นตาไปเห็นอยู่ก็ได้ยินอยู่แล้วก็ปริยาการภายในใจในขณะปฏิบัติเขารูอยู่เห็นอยู่แต่พอมันอยู่ในสภาว่าที่ ที่ไม่ปกติคือว่าเราไปรู้เห็นขนาดที่ว่าตอนนั้นน่ะมีคนสวยมีคนสวยอยู่ต่อหน้าเรามีคนรออยู่ต่อหน้าเราแล้วเราก็ไปหมายาตรงใจที่บอกว่าเ อ, อใจเราไม่มีอาการอะไรเลยกับคนที่สวยคนที่นอนในขณะนั้นนะแต่บาทีอ่ะเราไปสะกดให้อยู่เลยคือเราเป็นสะกดอาการนั้นอนะ่ะไม่ให้มันมี้าลงอะไรเกิดขึ้นคือเห็นกับเขาเห็นได้ยินกับเขาได้ยิน เราใจเจอผู้หญิงสวยวกรบผู้หญิงสวยผู้ชายห ล, ลอดตอนขนาดจิตนั้นเน่ะคือสะกดให้อยู่มันเลยจนกราทั่งจิตมันไม่แตวงอากาศจิตมันนิ่งมันเฉยไดเลยเนี่ยอันนี้ต้องอ่านให้ขาดนะอาจจะเสกขาดเราเคยผิดพลาดตรง น, นี้เรายอมมั่เราไปยผิดพลาดเราพอนึกก็ถูกจริงไม่ถูกคืออันนี้ยยึดถืออันนี้ยึดถือไม่นนถูกตัวนี้วิธีคือมันต้องอยู่ในสภาวาปะปกติที่ขณะนั้นเนี่ยเราไม่ไปฝุกในท่าการผู้หญิงสวย ไม่ไปฝึกในธรรมการผู้ชายหรอกถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะผู้หญิงก็ไม่ไปฝึกในธรรมกาผู้ชายหลอกผู้ชายก็ไม่ไปฝึกในธรรมการผู้หญิงสวยใอ้ที่อยู่ของเราเนี่ยโดยที่ไม่มีกิเลสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมามาคอยมาคอยรอกมันก็จะเป็นปกติพอเป็นปกติแล้วก็เจตก า, ารน้องใจเนี่ยไวไ้วได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันไม่มีมันไม่มีอะไรนะที่อะไรพวกกิเลสมันเอยอะยวน คือพักเราทําการที่มีผู้ผู้หญิงผู้ชายไปอยู่ในทําการผู้หญิงสวยผู้หญิงก็อยู่ทําการผู้ชายหล่อมันสุดยากมันจะเป็นการสะกดซะมากกว่าแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยู่ในสวนอย่างเนี้ยมันไม่มีเครื่องอะไรรอดที่ทําให้หลอนเนี้ยมีกี่เด็กตั้งตาอุจจตุริย ก, า, า, า, ยกายใจเราก็เห็นแต่ใบไม้มันไหวไหวไหวไหไหวไหมันลมพัดตลอดเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสะกดอะไร เราก็เลยเห็นตามันเห็นใบไม้ไหวๆก็ไม่เห็นเหมือนกับเห็นอาการของใจที่ไหวๆในยุขณะปัจจุบันในสภาวะปกติได้เลยเพราะว่ามันไม่มีกิเลสอะไรมาผลและเป็นไปการที่ว่าสักตะวุลโดยธรรมชาติไม่ต้องมากดอะไรเพราะว่ามันไม่มีกิเลสอะไรมาล่อแล้วก็สักตะวุลไปอย่างนี้อย่างธรรมชาติจนกระทั่งทุกปริยาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันน่ะมันเป็นไม่มีตัวเราเข้าไปคนคือเราเนี่ยไม่ประกดเราเครื่องไหวเลย ทุกิริยาการเมื่อกี right ้ที่มันเคลื ah ่อนไหวไว้ไววในปัจจ no no ุบ no ันเนี่ยมันไม่เป็นตัวเราทั้งหมดเลยมันมีแต่ทุกิริยาการในปัจจุบันที่ไหวไหวแต่ตัวเราไม่ไม่มีตัวเราไหวไม่มีตัวเราปรากฏอาการวิสจิตที่ไหวไหวแล้วไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครเข้าไปแทรกแต่ตัวเราเนี่ยไม่ปรากฏแม้แต่ผู้รู้แล้วก็ไปปรากฏว่าจงใจเชิงตั้งใจเจตนาที่จะไปดูรู้ละปล่อยวางแล้วก็ไม่ปรากฏตัวเราไหวเพราะอะไรก็ตามที่มันไหวหมด แม้แต่ปรากฏก็จะมีตัวเราไหวหรือเราตัวเราสุดตองแต่มันก็เป็นกิริยาการจิที่ไหวเหมือนกับไปไม้ไหวทั้งหมดแม้แต่ในขณะที่ลุที่ที่เห็นจิตไหวๆเนี่ยแล้วก็คือสึกว่ามีตัวเราไหวๆตัวเราสุดตองตาไปด้วยแต่แท้จริงเนี่ยในขณะที่มีตัวเราไปดูไปรู้ไปเหนะ็นเน่ยตัวเราสุดตองแล้วก็ไหวๆตามไปด้วยความจริงนั่นคือจิตไหวๆตัวนี้สำคัญมากนะราะที่เราดูแต่กิริยาการของจิตที่ไหวๆแต่ในขณะที่เราดูรู้เห็นอาการของจิตได้ไหวเนี่ย ตัวเราก็ติดต <ancestor> ่อตัวเราก็ปรุงแต่งตามไปด้วยเช่นอย่างที่คุณสมว่าคือพอเราเห็นกายการมจิตไม่ไหวแท้จริงในขณะนั้นตัวเราก็สิดตองมีการกระทำตามอาการที่เราเห็นด้วยคือเราทําใจให้สบายทำใจให้ว่างเปล่าทําใจให้นิ่งไปอีกติพฤติกรรมหนึ่งฟ้อนกันไปแต่ความจริงเนี่ยในขณะที่เราเห็นจิตไม่ไหวเนี่ยแล้วเราก็ไปทําใจของเราให้นิ่งทําใจแล้ว่างเปล่า้ำใจให้สบาย แค่นนะัเนีหยคือจิที่ไหวๆเลยแท้จริงไงตัวเราที่ไปทำพวกคู่กับเหตุาการณ์ไม่ไหวแท้จริงไงตัวเราที่พยายาไปทาอะไรนั่นแนะคือตัวเราคืออาการของจิที่ไหไวๆเราที่ปล่อยวางตัวเราไปหมดที่เราทีเหมือนแต่คว า, ามต่างเเราที่เหมือนตัวเราขึ้นไปอันนี้อันนี้เข้าใจไหมอันนี้ลเอียดขึ้นไหมอเอาไปเถียเอาใหม่ใม สมมติสมสมุติเราเป็นผู้ชายนี่ก็แล้วกันเขาก็หน้าตาดีนะแต่แต่แต่ก็รู้เฉยๆเราเฉยไม่ไม่ไม่ไปคิดอะไรแล้วค่ะก็เคยอยู่ท่ามกลางคนเยอะแต่เราก็ดูก็มันไม่เกิดไม่เกิดอารมณ์ขึ้นแล้วเจ้ะแล้วเราก็คิดว่าเราก็ทาได้ระดับอย่างที่ที่เราไม่จิตไปปรงแต่งตรงนั้นมันให้เกิดเละปังหาในใจ เห็นที่เจอเ่ะก็อันนี้มันผ่านการฝึกมาแล้วมันผ่านการฝึกเห็นรู้จิตไว้ไหวไว้ไหวในสภาวะที่ปกติมาแล้วเพราะมันอยู่ในท่ามการจิตมัเลยไม่ไม่ไหวหวั่นไหวไปตามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่คือมันมันผ่านการฝึกมาจาับสภาวะปกติแล้วต้องฝึกในสภาวะปกติที่ไม่ไม่มีกิเลสตัณหามาล่ แล้วเราก็ปลดปล่อยเลยรัเราสามารถเห็นจิตที่แสดงอาการไหวทุกขณะปัจจุบันโดยที่ไม่มีผู้เข้าไปสำรวจไม่มีผู้เข้าไปแทรกแซงอยู่าที่บ้มพ์มากสุดมากมแล้วบางทีทำการคอเยอะบางครั้งยังมีมองเห็นสังขารคนไม่ได้ไม่ได้เกลียดหรือว่าอะไรเท่านะคะแต่รู้สึกเกิดมีความเบื่อนหน่ายขึ้นในในจิตใจไม่ใช่ว่าโอ้เกลียดเขาเกลียดขยายไม่ไม่ใช่อะมันเป็นความวรู้สึกเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายสังขารเ น, นะะี่ยค่ะ แม่จีทำถูกทั้งถูกต้องไหมเจ้าคะอืมมันก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการเดินทางอยู่เจ้าคะมัน อ, อยู่ในขั้นตอนกันนะคือมันเออทั้งรู้ทั้งเห็นอย่างที่ไม่จีว่านี่ยนะคือทั้งไอ้ทั้งรู้ทั้งเห็นอย่างที่ไม่จีว่ากันนะคือสักตะวาันรู้สักตะวันเห็นโดยที่มัไม่มีอารมณ์เข้าไปคนไม่มีตัวรักเข้าไปคน แต่ที่บางครั้งมันมีอารมณ์เบื่อหน่ายเข้ามาเนี่ยคืออันเนี้มันยังอยู่ระหว่างการเดินทางมันทําให้ใจเราเบื่อหน่ายจากโลกเบื่อหน่ายจากลูกต้กลิ่นเสียงสัมผัสเห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่ น, าน่าจิตมันถือมันทั้งภายนอกและภายนในจันก็เลยเบื่อหน่ายใจันก็เลยปล่อยวางปล่อยวางความรุ่มหลง ม, มันก็เลยเห็นกับแต่ว่าเห็นได้ นั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็คือมันก็ช่วยจะบอกว่าผิดมันก็ไม่ผิดมันเป็นตัวช่วยทําให้เราเห็นสตับตะเวเห็นรู้สตั๊บตะรู้ได้แต่ถ้าพอถึงไงที่เราพูดกันแล้วที่บอกว่ามันใกล้จะเป็นสนิพานแล้วคือมันมันไม่มีอารมณ์เบื่อหน่ายไม่มีอะไรแล้วมั้นมันเลยไปมันไม่มีแล้วคือมันเห็นสตั๊ะเวเห็นได้ยินสตั๊บตะเรู้สตั๊ะรู้ในใจแต่มันจนกระทั่งมันเข้าไปรู้สตั๊บตะรู้อาการหังใจที่มันไหวๆทุกขณะปัจจุบัน แต่ไม่มีตัวตนของผู้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในการที่เห็นแล้วไม่มีตัวเราเข้าไปตัวเราปรุงแต่งเลยคือว่าไม่ใช่ว่าเราตัวเราทําให้ในปรุงแต่งคือทุกกิยาการที่ปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดทุกกิยาการที่ปรุงแต่งในขณะปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะที่ปัจจุบันที่มันคิดนึกติดตออะไรขึ้นมาในปัจจุบันเยมันจะเห็นเต็มไว้หวหมดเลยเหมือนใบไม้ทิ่พัดแต่ตัวเราไม่มี มีแต่กิาการที่ไว้ไว้ไวแต่ตัวเราไม่มี ต, ตัวตัวตนของผู้รู้ไม่มี well. มันก็เลยจันก็เลยว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจะผู้ยิบมมั่นหรืมั่นอันนี้ก็เป็นผลิตาัณเอาเอาเอาไอา้จักรเซนที right. ่มันอันไหนมันสูงเกินไปก็เราก็ลดเพดานทินลงมาได้นะเราก็จะอธิบายให้มันมันสูงเกไปก็ลดเพดานทินลงมาเราจะอธิบายให้ ตั้งแต่สูงยันต่าแะไรต่ำขึ้นสูงสูงลงต่ำอะไรบินขึ้นบินลงเนี่ยเราเนี่ยเราอยากให้มันเข้าใจให้มันชัดเจนบางทีมันเกินกว่าที่เราจะไปถามพ่าอโหถามแล้วกลัวว่าเขาจะว่าเราเราพูดมาเดี๋ยวจะแสดงความเปิดไม่มีใครเปิดเราเอาพูดเลยเดี๋ยวเราอธิบายขึ้นขึ้นลงลงลงลงขึ้นขึ้นอย่างนี้หน่ยเออขึ้นบันไดลงบันไดลงบันไดขึ้นบันไดเนี่เราจะอธิบายจะถามทำไมมาทาไม เอาครเอพ่อหลพ่อพูดด้วยนะพูดก็ได้นะหลพ่อพูดอะไรไหมค้ยก็ได้ครอะไรก็ได้นะนะกนถามหลวงตาได้ไหมครับพอดีได้ฟังจากท่านหลวงตานะครับซีดีจากท่านหลวงตาแล้วก็เลย จะเริ่มที่สมัครฝึกปฏิปธรรมเริ่มต้นเลยครับทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่จะเริ่มทำนี้วิธีการปฏิบัติจะถูกหรือเปล่านะครับก็คือขั้นแรกก็คือถ้าเกิดว่าจะเริ่มฝึกนักสมาธินี่ยก็คือจะคือจะลองดูแค่ว่าคิดกับคําบริกรรมอย่างเงี้ยครับว่าเอาจะเป็นคําบริกรรมอะไรก็ได้ที่ทางเราเลือกอย่างเงี้ยทางส่วนตัวจะเลือกะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเลือกเป็นพุธโธธรรมโมสังโฆนะครับแต่ว่าวันนั้นผมลองนั่งนิ่งๆได้ประมาณสักห้านาทีหือแบบว่าก็ให้นึก็กจะคำสามคำนี้ครับขั้นนึ็กไปเรื่อยๆอันนี้ถือว่าตอนตอนที่ที่จะเริ่มเริ่มอย่างนี้ถูกต้องไหมครับคือตั้งเงินเพิ่งเริ่มได้แค่ชั้นตันแล้วก็อย่างประจาวันอย่างเงี้ยครับตอนตอนตอนที่ระหว่างทำงานอย่างเงี้ยครับ ก็มอดีมีท่านโอท่านแนะนํามาก็เลยใช้อลองถ้าเกิดว่างก็จะ ค, อค่อยๆลองเผื่อตอนเดินก็จะลองมิตพุโทโธดูะครับก็พุโทโธพุโทโธดูก็เดินเท้าขวาพุทเท้าเทซ้ายโธนะครับใหเดินไปเรื่อยๆครับเดินระหว่างอยู่ในที่ทํา ง, งานนี้นะครับแต่ว่าก็พยายามให้จิตใจไม่ไปถึงสิ่งอื่นนะครับก็คือถ้ายึดไม่จริงจริงก็จะพยายามดึงกลับมามคําว่าพุโทโธพุโทโธเนี่ยครับ เลยไมสาบาที่เริ่มนี่ถูกต้องหรือเปล่าครับท่านก็ถูกต้องแล้วนะที่เริ่มเนี่ยถูกต้องแล้วแหะแต่ของท่านเนี่ยยอดโตของท่านเนี่ยคือจะต้องเพิ่มอีกลาฟังแก่นี้ไม่พอลาพังแก่นี้ไม่พอเพราะว่าสต่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหรือพุทโธตมโมสังโภพุทโธตัมโมสัมโภวติแต่ใจของท่านเนี่ยมันยังวุ่นวายใน กิกามาตัญหาลาภจะเอาผู้หญิงสวยๆผู้หญิงที่ท่านติดพันอยู่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไม่พอนะไม่พอมันเหมือนกับว่าท่านเดินทางขึ้นภูเขาเนี่ยเดินทางที่ภูเขารนิพพานเนี่ะอันที่ท่านทำอย่างเนพุทโธสมุนสังโนเนี่ยถูกต้องนะมันก็ขึ้นมาได้แต่ที่ตัวเราท่านขึ้นลราข้ามไปได้มันเหมือนกับว่าเดินทางขึ้นภูเขาพนิพพานเนี่ยพอทางที่ขึ้นตรงเนี้ยแล้วมันมีช่องว่างระหว่างทางพอถึงพบท่านขึ้นไปได้หน่อยแล้วมันมีช่องว่างห่างมากเลย แล้วตัดกาวพักแบบนี้ขึ้นต่อไม่ได้พอท่านพุทโธพุทโธสามโบสองโโวันได้เรื่อยๆแค่ระยะหนึ่งเลยตอนเนี้ยก็เริ่มดีแล้วหลับไปได้แต่เดี๋ยวก็ไปไม่ได้ไปไม่รอดท่ามท้ามไปข้ามฝั่งขึ้นขึ้นไปอีกไม่ได้เพราะว่าท่าจะตกลงยาวนิดหนึ่งตกลงยาวไอ้ที่ถ้านตกลงยาวคือท่านพุทโธพุทโธยังไงก็ไม่อยู่คืใจของท่านมันเข้าไปในกามติดติดเข้าไปในเอผู้หญิงสวยเอติดเข้าไปในความสวยความงาม ดังนั้ท่านต้องพิจารณาไอ้การที่จะเล่าจักการแรกต้องเห็นว่าทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมีแต่ความสกปรกหนังหุ่มที่แผ่นเดียวต้องพิจานณานะหนังพุ่มที่แผ่นเดียวที่ว่าหนังพุ้มที่แผ่นเดียวคือหนังเราทุกคนเนี่ยมันมีหนังแผ่นเดียวเนี่ยทั้งตัวเนี่ยมีหนังมันหนังพุ่มขี่แผ่นเดียวแล้วก็เจาะดูหนังแผ่นเดียวแล้วเจาะดูพอมันหนังหนังมาพุ่มไว้เนี่ยเราคอยฟอกสบู่อาน้ำฟอกสบู่มันก็เลยลายดูสะอาด ไปดูสะอาดดีกลินหอมเพราะเราขอาะกระปทุกวันแต่แท้จริงเนี่ยวันเหมือนถุงหนังเนี่ยเป็นถุงหนังที่ข้างในมันจุกไปด้วยขี้ไม่เรนมองไม่ออกว่าไอ้ถุงหนังเนี่ยถุงหนังอันนี้ยมันก็มีรูปล่างเป็นเหมือนเนี่ยรูปร่างของแต่ละคนเหมือนตุ๊กตาตัวหนึตุ๊กตาตัวเล็ตุ๊กตาตุ๊กตาไม่เหมือนกันรูปล่างเปลี่ยนไปเหมือนรูปร่างของผู้ายหรือรูปร่างแบบนี้รูปล่างของผู้หญิงที่จะไปรับนายหลวงเขา ก็เป็นตุ๊กตาลูกล่าแบบดีก็คือถูงหนังที่มีลูกล่างของทุ๊กตาที่ต่างไปแต่ถึงจะลูกล่างใครรอบมันสวยงามหรออย่งไรก็ตามภายในของทุกท๊กตาถุงหนังนั่นแหะทุ๊กตาที่ทำา้วยหนังนั่นหนังแผ่นเดียวน่ะมีแต่ที่มีแต่ที่คือทําไมมีแต่ที่เจาะรูไหนเจาะรูไหนในทุ๊กตาหนังเนี่ยทุกรูที่หลายองค เจาะทุบรูมีขี้ไหลออกมาหมดถ้าเราพิจารณาดูไม่ดีว่ามันเป็นถุงหนังรุ่มขี้แห่งเดียวจริงๆเหมือนกับว่าตุ๊กตาผู้หญิงผู้ชายเนี่ยที่เป็นรูปตุ๊กตาเนี่ยเจาะรูไหนทุกรูมีมีขี้ไหลออกมาหมดเลยแั้นตุ๊กตาที่เราไปเล่นที่เราไปชอบไปเราสัมพันธ์เนี่ยแท้จริงข้างในามีแต่ขี้มีแต่ขี้ทั้งนั้นเลยถ้าดูเห็นไม่ว่ารูไหนที่ถุยเจาะมารูตารูตา เขเจาะรูตามีขี้ตาไหลออกมาแล้วขี life, people, mhm. ้ตาของเขาเราก็มากินไม่ได้เจาะรูหูมีขี้หูไหลออกมาแล้วก็เอาขี้หูก็มันกินไม่ได้ขี้หูขี้ตาเขาไปตกไปวยกระตุ้งเรากินไม่ได้เลยเจาะรูปากเจาะรูขี้มูกขี่มูกเขาไหลเขไปในเพื่กระตุองเรากินไม่ได้เลยเจาะรูฟันรูปากขี้ฟันเขาจ้าลุดนมาในกระตุ เจาะลูเหงือเจาะรูผงขนที่เหงือที่ไขออกหมดเต็มเลยเจาะลูหัวตามหัวขี้ละแทร่ไหลว่าเต็มเลยเจาะรูทวรรคหนักสวรรค์เป่าไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะเมนที่สุดละพวกเสร็จเลยละ่ะเอาของเข้าไหลมาใส่ข้าวต้มเราหน่อยหนึ่งคิดไม่ได้เลยเรารัาความสวยความห ล, ล่อเขาทำงานเขาในรังแต้มในตุ๊กตาหนังตุ๊กตานังผิวหนังเลย แต่ท่านว่าตุ๊กตาหนังเนี่ยไม่ว mm ่าจะทุกรันเน mm hmm. มันเป็นหนังอุ่มขี้ข้างในมันจุกระด้ี่งเต็มไปหมดเลยเจาะรูพวกขี่ไหล mm hmm. ออกมาเลยท่านบอกว่าพอพระพเจนานรู้แจอย่างที่ตัวเนี้ยหลงเล่นหลงรักไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยหลงกอดหลง้าไปด้วยแต่วันนึงเนี่ยคนที่เบนน า, นานจะถึงถึงใจแล้วเนี่ยเอคนที่เบนนานจะถึงใจเนี่ยพอรู้ว่าโอ้หตุ๊กตาที่ถือไปอะ่ะเดิมเหมือนก็ไอ้ตุ๊กตาที่มัน โอ้สวยมากเลยหล่อมากแล้ววันหนึ่งอ่ะพอรู้ว่าค้างในเป็นตุ๊กไม่ใช่ขีน้นั่นแหละทิ้งเลยข ย, ยงแล้วก็ทิ้งเลยมันไม่เอาเลยว่าข้างในไม่มีแต่ขี้เมือกับเราเราไอุ้กตาที่เขาทาขายอ่ะตุกตาหนังที่เขาทาขายอ่ะเชอบมากเลยโดยเฉพาตอนนี้ก็นนเยตุกตาเทพมาอุมกันเนุ่กตาเทพเห็นไหมใส่ชุดพะใส่ข้าาต า, างก็สวยเลยพอ เนว่าก็ข้าในพอรู้ว่าข้างในอ่ะเขาเอาขี้ปรรจุไว้ก็แล้วไปรู้ไม่ใแต่งตัวดิแต่ข้าไในเนี่ยเขาเป็นที่มันหนักๆเนี่ยเพราะว่ามันมีขี้ปรรจุไว้ดังนั้นเหมนเน่ามากเลยมันเป็นอีแล้วก็เวียดชีกเลยไม่เอาเใจที่มันไม่เอาเนีรร่ยมันลากมันเป็นแบบนั้นเลยมันก็ไม่เอาอย่างมันพลาดแตการปัญหาลาพัก เ, เนี่ยพระเจ้าเนี่ยแพ้ให้พิยนาเรียกว่าพิยนาประสุภาประสุภา ส, ภาสวยไม่งามความจริง หรือแม้กระทั่งพิจรณาบารนารู้สติคือความตายความจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเน่าเปืยผูพังเราเห็นก็แต่สวยๆหล่อๆในปัจจุบันแต่จริงๆเนี่ยประภาพเขาเนี่ยมาชุดโลงไปชุดโรงไปชุบโลงไปชุดโลงไปแล้วก็ไปเสียบเทียบเขากับกับคนที่เราเห็นปู่ย่าตายายคนเฒ่าคนแก่ที่แบบพูปฏิบัติธรรมว่าตัวเหย่านี้ไม่ช้าจะเป็นสิ่งนี้ไม่ช้าจะเป็นนี้ไม่เป็นนี้ใจเราถึงจรู้สึกว่ามันเป็นหรักฐานที่หลอกลวง เับ ต, ตัวเราแล้วตัวเขาไม่ชาติตัวเราก็ไปเหมือนกันมีสภาพที่แก่เท่ากัลลาหลานมงไม่เหลืออะไรเหมือนกันแล้วก็ภูพันเน่าเปิดอภูพันสลายไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นธาตุว่างเปล่าไม่หาตัวตนไม่เจอแล้วก็เป็นสลายไปอโดยความว่างแล้วก็พิจนารณ้อนน้องใบให่ๆ อ, อ, อย่างเงี้ยเดินใจเราก็้ถึงความจริมันก็จะเลิ่มเกิดนิพิธาที่ที่ทไม่สีก้อน คือโปร่งปล่อยวางในสังขารตัวเราแล้วการลงจิตมันหรือมันในสังขารก็อื่นใจมันจะโร่งปล่อยวางคงเจอเราจะปล่อยรุกล้างความจหรือกรเบื้องตุ๊กตายี่มีี้อยู่ในเพราสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงไม่มีอะไรให้น่าจิตมันหรือมันเลยใจมันก็จะโปร่งปล่อยวางที่เรารักเกาะเกี่ยวผูกพันเราก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันค่อยๆเสื่อมไปผูกพันที่สุดเ็นจิตมันที่มันจะไม่ได้เราหลงรักใครรหลงที่สุดก็ต้องพัดพาจับไปว่าไม่พัดพาเปือของหลอกลวงความพัดพาเป็นของจริงแท้แน่นอน ความเกิดแล้วไม่ตายใม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีที่สุดความแก่เจ็บตายไปนอนไอซีย์ล้อมกวนทางให้เขาเจาะอย่างแตไปหมดเลยที่สุดวันนั้นจะต้องมาถึงตัวเราแล้วก็ต้องแตกหนับสไลด์น้าเปลือุปูพันสายขาดส่วนไม่ได้เราลที่เป็นหลงรักอะไรเขาที่สุดเราก็ไม่เหลือปูกพันต้องแก่เท่าฉลาไปที่นั่งน้อมอย่างเงี้ยทําำทำทวันนั้นคือจิตมันก็จะค่อยๆเริ่มปล่อยวางป่อยวางจะความหลงจิดมากขึ้นมากไปเรื่อยๆ แล้วก็น้อมไม่หยุน้อมจนกระทั้งแบบไอ้พระที่น่าเปิดภูฟังเอาของคนอื่นมาเปรียบเทียบด้วยปู่ย่าตายายที่แก่เท่าจะลางอลับมุ่งหรือว่าเราไปเผานแ้วตายแล้วหน้าตาเราหลายคนแล้วเอามาน้อมเปรียบเทียบกับตัวเราเอาตัวเราเปรียบเทียบกับเขาเปรียบเทียบไปเจเกศแกนมาอย่างเงี้ยจนสุดจนรู้สึกว่าเราก็ต้องเป็นอย่างเขาทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครหนีความตายไปคนไม่มีความหนีมีใครหีความแก่ความเจ็บความตายไปคนที่สุดก็ภูกพังสลายดับหายทไปหมดสิ แล้วก so it ็น so ้อมอย่างเงี no like ้ยทําทํำจิตวิทยาทั้งมันภาพเนี่ยทั้งภาพทั้งความรู้สึกต้งมโนนึกเรานึกขึ้นมาทั้งภาพทั้งความรู้สึกสรุปสําเรธิ์ปวางเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจเราพร้อมแต่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยภาพและความรู้สึกต้งมโนนึกเอี่ยในใจเราเนี่ยมันไม่ฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเลยมันมีอยู่เรื่องเดียวในใจของเราเรียกว่าเป็นหนึ่งในเรื่อเอเกตตาจิตเป็นหนึ่งเดียวกับทั้งภาพทั้งความรู้สึก ไอ้สิ่ที่มันคงไปวางเนี่ยมันมันเป็นหนึ่งเดียวในจิตใจขอเราไม่เคล้าออกไปเลยมันเกิดเกี่ยวเหมือนกัว่าตอนที่เราเดินอยู่ในน้ําน้ําท่วมเนี่ยเราเดินไปมาเนี่ยตีไม่ยังอยู่เลือดไม่ติดมันก็จะพยายามจะดูดเลือดเราจะดูดไม่ติเราก็ตอนที่นาอยู่เดี๋ยวเราก็พุ่งไปคิดเรื่องนู้นคิดในเรื่องนี้เราบรรลุตัวฐานแล้วกลับมาที่นาเดี๋ยวมัก็พุ่งไปคิดเนเรื่องนี้เราบรรลุตัวานเร็วๆแล้วเราต้กลับมาเที่นาซ้าๆๆอย่างนี้จนกระทั่งจิตมันหยุดอยู่ได้ ไปที่ไปนานกับจิตมันอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นอันเดียวกันเราพยายามจะละพยายามจะปล่อยพยายามจะวางไม่ที่ไหนแล้วจิตมันก็มายอมเราไม่ว่าจะทํากิจกรรมงานไหนก็ตามมันอยู่ในจิตใจเราตลอดเวลาเลยไม่ไปท่าจากกันเลยมันอยู่ในใจไปที่ไหนก็ไอเนี้ยไอความรู้สึกน่าเปยผุพังความรู้สึกเราที่มันถื่มันไม่ได้เนยมันติดอยู่ในขัานในเลยเหมือนกับอยู่ในตาในติดอยู่ในในใจติดอยู่ตาในตลอดเวลาเลยไม่วม่ไม่ท่าแจกันเลยมันก็แบบ ปิงเนี่ยมันดูดเลือดเราติดแล้วเพราะปิงเนี่ยที่ดูดเลือดเรามันติดทุบเนี่ยเราจะพยายามสลัดสลัดสลัดสลัดยังไงเพื่อดในปิงมันอยู่จับขาเราเนี่ยปิงมันก็ไม่หลุดเพราะว่ามันดูดติดแล้วปิงดูดเลือดติดแล้วมันไม่ไม่หลุดแล้พราะจิตเนี่ยมันน้องนอมจนทา้งในสิ่งที่เราน้อมเนี่ยความไม่เที่ยงความสลายพ่อแม่ปู่ย่าตายยก็เพ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดพี่ป้าน้าอาก็ล้มหายตายจากแก่เท่ากันกล้มหายตายจากรคนละคนคนที่เรารู้จักคนที่เรารักค่อยๆล้หายตายจากไปคีละคนละคน ไม่ช้าเราก็ต้องตายอย่างสภาพภาจากทุกคนใส่กันดับหายไปจากโลบนเหมือนคนเดียน่ใจเราเนี่ยมันจะรู้สึกถึงโฟงปล่อยวางโงไปวางโฟมปล่วา ง, อวางพอจิตเป็นสึ่งเดียวกระที่น้อมน้อมจิตที่น้อมเป็นทั้งวัณภาพทั้งความรู้สึกทั้งทำอะไรควบโฟมป่วางเนยเป็นหนึ่งเดียวประจิตในพัาคไม่พลาดจากการ น, นั่นไงไปไหนมันก็รู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลาเป็นเตกับพระจิตแล้วไม่ช้าเลยเันนียเราเรียกว่าตกกระแส ตกกระแสนะเรียกไม่พ้นนะเพราะว่าจะสลับก็ไม่ดุกนะใ้ความรู้สึกที่เป็นจริงเนี่ยมันตกกระแสแล้วเนี่ยมันสลับไม่ดุกนะไม่ช้าจิตมันวางบึ้งลงไปเลยมันวางในความหลงยึดมั่นถือมั่นในตัวตนมันวางบึ้งไว้แล้วก็มันเหมือนกับโลกอัลตานี่มันระเบิดออกมา่ะในใจเราไปที่ข้างนอกมันระเบิดทะลุถึงกันปล่อยวางความหลงยึดมั่นหือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเสมอิปปล่อยวางความหลงรักหลงชั่ง เลือแตกใจที่วางเล่ า, าจะไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวมีตนในโลกนี้เดินไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกับเราหายตัวไปแล้วแม้จะมีตัวอยู่แต่ไม่รู้สึกว่ามีตัวอยู่ในโลกนี้นแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีน้ําหนักไม่มีท้องตัวแล้วก็ไม่มีท้อ ง, งนหนักเหมือนกับเป็นสภาพไร้น้ำหนักเดินไปเหมือนกับลมพัด ส, สามารถพอเอือเดินอากาศขที่จะยอดมาทนี้ไปหรือจะไหลายยอดไปได้หลายกิโล ไม่มีตัวตนนี่หมดเรามันจะมีแต่ความว่างเปล่าเมื่อมีแต่ความว่างเปล่าแล้วมันจะเห็จิตเนี่ยทุกข์ขยาการเนี่ยมันเกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นระดับไปมันแต่งีห้อยที่มันสว่างว่าระดับหายไปสว่างว่าระดับหายไปสว่างว่าระดับหายไปโดยไม่มีใครที่จะมีเจตนาไปเท่งไปจ้องไปดูไปดูละปล่อยวางมันเกิดขึ้นเองระดับไปเองเกิดขึ้นเองระดับไปเองเหมืับ แต่ยิงห้อยที่มันสว่างว่าะระดับหายไฟหรือเหมืกับตอกน้าที่เวลาฝนมาตกมาแล้วก็มาโดนน้าน้าก็เปไปตอกน้ำแตกพวกพวกพวกพวกมวนแตกเกิดขึ้นเราหายไจระดับไฟเกิดขึ้นระดับไฟหายไฟหรือเกิียากาลจิตปัจจุบันระับไฟ้าแะละรบระระระระฟะระระระรแระระระระระระระรเรีระระระระรอระระระระรมระอะระระระระระระระปะระระระระระระระระระระระละระระระระระระระระระระระระระระระรร ไม่แน่ต้องพิจารณานอย่างนี้ง่าย ม, ม, มากนะลํจาจะข้ามได้ข้ามช่องว่างเหมือนเราขึ้นภูเขาไปอย่างเงี้ยขึ้นภูเขาพระนิพานแต่ขึ้นไปอย่างเงี้ยเร า, า, าก็มาดายยกระสุกนะแต่สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะไปเจอช่องว่างที่เราขึ้นไปข้างบนไม่ได้มเหมือนกับเป็นแม่น้ำบากหว่างเนี่ยทำให้เราต้องไหลตกไปทางแม่น้ำตกไป่างนี้มันไม่ขึ้นภูเขาได้ข้ามไม่ได้เพราะว่ากิเลสการมกันหาหนคะที่กําเลิกไปในจิตใจเราเนี่ย มันจะเราภาวนาอะไรก็เอาไม่อยู่มันจะไหลตกไปเราต้องเพียารณาสุภาษรรมฐาสามวันน้ำสติใครมากมากใครก่อเนเรื่องไม่ขาดสายแล้วเราจ ะ, จะข้ามได้ข้ามกระแสน้ำไหลพวกนี้ข้ามไปได้มันเหมือนกับเนี่ยตอนใ้น้องชายคนเล็กของพระสารีบุตรชื่อเลวตัด แม่ของภาษาริบุตรเห็นว่าภาสาลิบุตรเนี่ยเขไปบวชนะพี่ชายบวชนแล้วน้องไปบวชนเลยน้องมีกี่คนกีน่คนเอาไปบวชกนะ็เหลือลูกท้องคนเดียวคนเล็กตุ้เจ็ดขวบแม่ก็โวว่าภาษาลิบุตรเอาไปบวชกนะ็เลยจับแต่งงานตังน้งแต่เจ็ดขวบจับแต่งงานตั้งแต่เจ็ดขวบกอไปแต่งงานกับเด็กด้วยกันเจ็ดขวบไปแต่งงานตุนนนต้ ง, ง เขาก็ ท, ทําพิธีแต่งงานกันจริงๆเลยเพื่อไม่ให้ลูกปวดแล้วเพืไม่มาตาลีอยู่ตนอนน้องไม่ปวดระหว่างที่ทำพิธีแต่งงานรดน้ําเขาก็พาทวดมารดน้ำสัง่งให้ก็ประค อ, องกันมาแก่ชราหลังงองุ้มเดินเดินไม่ไหวกแก่ยันยันกันแล้วก็ประคองมารดน้ําว่าให้พอด้วย พอให้อยู่การจนแก่เท่าหรือไม่ตายอดทองกระบอกยอดเป็นเหมือนอย่างทวดเนี่ยอยู่จนแก่เท่าธนาเหมือนอย่างทวดนี้นะเดี๋ยวตาฟังนะครับมงก็เลยถามว่าถามข้าวว่าเจ้าสาวที่เขากําลังแต่งงานนี่เนี่ย <c oughs> มันจะแก่อย่างนี้ไหมเนี่ยจะแก่อย่างทวดนี่ยไว้หลัง้อง เ, เดินตาฟ้าความ ยังแย่ยักยันเนี่ยเอคนที่นั่นก็บอกว่าก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละหนยทุกคนก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยถ้าแล้วผมก็ต้องเป็นอย่างนี้ไหมไอ้หนูก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่ไม่มีแค่หนีพ้นหรอกทุกคนก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยอ้าวเราจะไปแต่งงานกันทำไมแบบเนี้เดี๋ยวก็เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องแก่รอดชราหลังงองุม้มโดยการแย่ยังยันอย่างเงียง้ยพอขึ้นรถวอกลับไป รถที่เขาประดับประดายอย่างรีมาแต่งงานกลับไปกลางทางแก่งบอกว่าปวดอุจจาระให้รถโ ล, ลหน้าไปก่อนหนีเลยหนีเข้าป่าแล้วก็ไปบวดบรรลุอารหัน<ม>ต์เพราะป่เบื่อได้เบื<ม>่อได้แล้งแต่เจเ็ดขวบใช่ไหมเบื่อได้เห็นไหมหลังงองมุดเอ้ยไปบวดอยู่กันทำไมอย่างเงี้ยอยู่กันจนแก่เข่าอย่างเงี้ยเราจะต้องฆ่ากรณีไม่ได้